มีในสมัยหนึ่งท่านพระมาลุงกะยอบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม โดยยอ่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึ่งหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาททำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุมาลุงกยมุตรว่ามาลุงกยบุต ร, ก, ตรก็ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะกล่าวกับพวกภิกษุ หนุ่มๆได้อย่างไรเล่าก็ในเมื่อท่านผู้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ขอโอว่าจากตถาคตโดยย่อ อ, อยู่อย่างนี้ในที่นั้นท่านพระมาลุงปะยะบุตรจี่ได้กราบทูลเป็นครั้งที่สองอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคโประชงแสดงธรรมโดยย่ อ, อกแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์แม้ฉไนเมื่อข้าพระองค์จะพึงรู้ถึงเนื้อความแห่งพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแม้ฉไนข้าพระองค์จะพึงเป็นตายาธแห่งพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้ามาลุงกะยะบุตรถ้าอย่างนั้นเตอจงฟังเหตุเกิดตัณหา ซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุสี่ประการนี้สี่อย่างอย่างไรเล่ามาลุงกัยบุตรตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุนี้อย่างหนึ่งตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะบินดาบาดเป็นเหตุนี้อีกอย่างหนึ่ง ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุนี้อีกอย่างหนึ่งและตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะความเป็นและความไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งมาลุงกยบุตรเหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิด ย่อมเกิดแก่ภิกษุสีประการนี้แหละเมื่อได้แลภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด่วนทำให้ถึงกว่ามไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้เด็ดขาดหรือถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบและลำดับนั้นท่านพระมาลุงกยบุตรอันพระผู้มีพระภาคประทานพระโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นท่านพระมาลุงกยบุตร เป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ได้กระทำให้แจง้งซึ่งที่สุดแห่งพระมาจันอันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่นั้นด้วยปัญญาอันชอบในปัจจุบันนั้นนั่นเอง ท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วปรมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แลท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอารหันต์ทั้งหลายและนี่คือรายการธรรมะ ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอะพิปุญโง่จากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ได้นำเรื่องราวประสูดที่เกี่ยวกับท่านพระมาลุงกยบุตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่มาในสังยุตตานิายแต่เราได้เคยฟังเรื่องราวของท่านพระมาลุงกยบุตรที่มาในมัชจิมานิกายกันมาแล้ว ถึงสองพระสุตรด้วยกันเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าให้โอวาดกับท่านพระมารุงกะยะบุตรในการที่อย่าเอาใจไปใส่ในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องด้วยมรรคผลนิพพานเปรียบด้วยกับคนที่ถูกลูกสอนอาบยาพิษแทงแล้วจะไปหาว่าคนแทงมันชื่ออะไรทาจากวัสดุแบบไหนแล้วถ้าไม่รู้ข้อมูลนั้นจะไม่ยอมรักษาเนี่อันนี้คือข้อมูลในพระสูตรแรก ที่พระพุทธเจ้าเคยเทศอบรมสั่งสอนท่านพระมาลุงกยบุตรในเรื่องที่สองพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัตเป็นการที่พระพุทธเจ้าสอบทานหมายถึงพระมาลุงกยบุตรไม่ได้ถามละ่ะพระพุทธเจ้าถามเดีเพื่อให้ท่านตอบท่านตอบมาก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่รัดกุมรอบข้อเพียงพอ พระพุทธเจ้าก็เลยขยายความให้มีความรอบครอบมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสองพระสูต์ที่มาในมัชฌิมานิกายทีนี้ตัวท่านพระมาลุงกยบุตรเองธรรมุฝังก็บวชมาตั้งแต่หนุ่มๆนั่นแหละเป็นคนที่อยู่ในวรรณพราะ ม, มาบวชแล้วก็คิดว่าจะรู้เรื่องโลกอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่เข้าใจถูกต้องละก็เลยอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ แต่ว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปในข้อมูลที่บอกถึงบริบทของท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยท่านก็ได้อธิบายว่าท่านพระมาลุงกยบุตรนี้ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการติดอยู่ในลาบปรจใจสี่มีใช้นาชนะมีอาหารบินตาบัมีจีวรเครื่องนุ่งห่มต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่มีใจติดข้องอยู่ในนั้นจึงไม่ได้ทาความเพียน เพื่อที่จะมาบรรลุธรรมขั้นใดกันหนึ่งตั้งแต่ในสมัยหนุ่มๆที น, นี้พอมาในสมัยที่เป็นบั้นปลายในชีวิตของท่านแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขอโอวาทในการที่จะเออให้ออกปฏิบัติละนั้พระพุทธเจ้าท่มฟังในที่นั้นท่งนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราจะบอกกับภิกษุพวกหนุ่มๆว่าอย่างไรคํานี้เนี่ยเป็นลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการทั้งคมทั้งยกย่อง ท่านพระมาลุงกยบุตรนั่นะคือถ้าต้องการจะตำหนิเนี่ยท่านก็จะใช้คำว่าโมฆะบุตรละอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตาหนิท่านมาลุงกยบุตรนะในครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องของโลกแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นลักษณะของการทั้งข่มทั้งยกย่องนเะพราะว่าถ้าภิกษุกแก่มาขอโอวาทเนี่ยก็อาจจะยกเป็นตัวอย่างกันแตนะาองั้นฉันไว้แก่ๆ ก, ก่อนแล้วอยไปขอโอวาทค่อยทาความเพียร และนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นพระพุทธเจ้าก็จึงต้องการข่มในลักษณะที่ว่าไม่ได้ให้ง่ายๆล่ะต้องถามถึงสองรอบกว่าจะให้ได้แต่แต่ก็ต้องการยกย่องในลักษณะที่ว่าเออยอย่างน้อยก็ยังมาทําความเปลี่ยนจึงไม่ได้ตําหนิด้วยคําที่ว่าโมฆะบุรุษเป็นตนน้นแต่ว่าในที่นั้นพูดในลักษณะที่ว่าเอาแล้วจะบอกอธิบายกับพวกพระหนุ่มๆเขาว่าอย่างไรเนี่ยก็จะมีพระแก่ๆมาขอโอวาทอย่างนี้ บวชมาตั้งแต่หนุม่มแต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาเพราะความเพลิดเพลินติดยึดในเรื่องปัจจัย4ีจนมาระลึกได้มาร้อนใจตอนแก่แล้วและพึ่งจะมาทำความเพียรแต่ก็ให้โอบาทในการร้องขอเป็นครั้งที่สองของท่านพระมาลุงกยาบุตรในอบาต ท, ที่พระพุทธเจ้าให้ธมุฟั ง, งนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญเลยในยพระสูตรนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันในภิกษุรู ป, ปอื่นๆด้วย น, นพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของตัณหาท่านบ้ฟังตัณหาที่จะเป็นเครื่องให้เกิดความยึดถือเวลาตัณหามันจะเกิดเนี่ยอธิบายกับท่านพรามาลุงกะยจบุญไว้นะว่าจะเกิดเพราะเหตุ4อย่างคือ1จีวร2บินทบาทสาเสนาสนะและ4ี่เรื่องความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็น4อย่างนี้อันนี้ก็ฟังพอจะเข้าใจได้นะท่านฟังนะ เรื่องของความเป็นและความไม่เป็นนี่ก็คือเป็นลักษณะของมานะฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นตันหามันจะเกิดได้ตรงนี้เราบอกว่าถ้าละตันหาในสิ่ง4อย่างนี้ได้มันรู้ทำเลย น, นจะสามารถที่ตัดรากของเจ้าตันหาทําให้เป็นเหมือนกับตานยอดด้วนได้หรือถอนสังโยชน์ได้แต่นะว่ารื้อถอนสังโยชนนี้ก็คลิกเลยกับท่านพระมาลุงกยบุตร ที่ได้ฟังธรรมะไว้ในตอนก่อนๆและวพระบุตรเจาอธิบายเรื่องของสังโยชน์เอาไว้กือเครื่องร้อยรัดเอาไว้มาตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของเครื่องร้อยรัดอีกแ้วมันก็คลิกกันบดีมันก็ลงล็อกกันบดีแต่ทำให้ท่านฟังแค่เรื่องตัณหาเนี่ยก็สามารถไปทำความเพียรอยู่ผู้เดียวมีความไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวก็บรรลุทำได้นี้คือลักษณะหนึ่งในะตมวังการบรรลุธรรมด้วยกัน ฟังเรื่องของตัญหาให้เห็นโทษของมันในะท่านพระมาลุงกยาบุตรนั้นพอตอนที่ท่านบรร ล, ลุธรรมขั้นสูงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้เคยกล่าวเอาไว้ในเป็นคาถาธรรมบทที่ท่านได้อธิบายถึงลักษณะโทษของเจ้าตัญหาที่เหมือนกับเถายานทรายที่มันจะรัดรึงต้นไม้ให้หักล้มหักโค่นได้จะทำให้จิตนั้นมีไปในทางต่า มีความชั่วช้าหลายไปในถนัดที่บายถึงโทษของตันหาไว้ตรงนี้เรามาแยกแยะแจกแจงตามความเข้าใจกันนบุฟังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยด้วยการฟังธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแตนะ่ซึ่งมีอยู่สีอย่างและในที่นี้ท่านพระมานุกยบุตรเนี่ยได้ฟังเรื่องของตันหาแล้วรู้ว่าตระหนาเนี่ยควรละแล้วก็ละมันเสีย อันนี้จะไม่เหมือนกับท่านอื่นๆ น, นะกรณีของท่านพรามาลุงกยบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไวยตัตโมฝังตรัสไวยับพภิกษุรูปหนึ่งถึงเวลาที่บุคคลจะเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทดี่วรู้ทำได้เนี่ยก็จะต้องรู้ทำสี่บทบทใดบทหนึ่งสี่บทในที่นี้ก็คืออริยสัจสีนั่นเองเราจะเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมะได้คุณจะเข้าใจจากเรื่องของความถูกก็ได้ ในกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรเข้าใจจากเรื่องของการละตันหาหรือแม้แต่คําว่าละนันทีละนันทีอย่างเนี้ยนันทีนี้ก็เป็นเทือกเดียวกันกับเจ้าตันหาเหมือนกันเอะเราจะละนันทีจะละตันหาได้อย่างไรตัวท่านพระมาลุงกยบุตรเห็นจุดไหนถึงสามารถที่จะละตันหาตัดสังโยชนันทีที่อยู่ในใจของท่านได้และซึ่งธรรมะที่จะทําให้คนบรรลุธรรมเนี่ยธรรมบังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเลือกมาละ คัดเลือกมาอย่างดีเด่ในกรณีของท่านพระมารุณกัจจายบุตรเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องคันหาไม่ได้สอนเรื่องมรแป8หรือไม่ได้สอนเรื่องนิพพานว่านิพพานเป็นยังไงเย็นยังไงดับยังไงนั่นเพราะว่าอุปนิสัยของท่านพระมารุณกัจจายบุตรนั้นผ่านมาในวัยหนุ่มเนี่ยมีความเพลิดเพลินยึดติดในลาบปัจจัยสี่แล้วก็จึงยกตรงลาปัจจัย4ี่เนี่ยขึ้นมา มีจีวร บ, บินดาบาเสนาสะนะระบบวัฒน์ละตรงนี้ได้วางตรงนี้ได้เนี่ยบรรลุเลยคนจะติดมันติดตรงนี้แหละแต่ตัวเองติดมาตลอดเ ต, ตั้งแต่ในสมัยยังเป็นหนุ่มจนแก่แล้วเนี่ยเห็นโทษมามาอยู่ตลอดละเห็นโทษ ม, มาอยู่ตลอดละมาทําการใคร์ครวนหลีกออกผู้เดียวมีความไม่ประมาทอยู่ก็จึงละตรงนี้ได้แต่เขาเห็นโทษของสิ่งที่ไปยึดติดตรงนั้นจึงละความยึดถือตรงนั้น ไดน้นี่คือลักษณะที่ท่านพระมาลุงกัยบุตรเห็นโทษในลาปัจจัยสี่จึงละตัณหาไดน้นี้คือแง่มุมที่หนึ่งคือเห็นจากเรื่องของตัณหาแต่ในขณะที่ท่านอื่นๆท่านฟังอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยธรรมะบทที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปจากท่านพระมาลุงกยบุตร ท่านพระมหาสารีบุตรของเราใน ต, ตอนนั้นก็ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงกับปริพาชคที่มีเล็บยาวที่ชื่อบาคิเวสนะเนี่ยได้ แ, แสดงถึงเรื่องของมักแต่บุฟังเรื่องของมักคือเรื่องของความไม่เที่ยงในการตั้งหน้าสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นของไม่เที่ยงมีความปรุงแต่งเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปมีความจางคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดา นนพิจารณาเห็นตรงนี้ก็จึงมีความเบื่อนายแม้ในสุขเบทนาเบื่อนายแม้ในทุกขเบทนาเบื่อนายแม้ในอะทุกขมัสุขเบทนานเห็นตรงนี้ใะตรงนี้ก็คือเรื่องของมรรคแปดนั่นเองในพิจารณาขันห้าจากตรงเรื่องของมรรคแปดสิ่งที่เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะท่านพระมหาสารีบุตร เราก็เห็นจากตรงจุดของมรแปดที่มันไปเกาะติดยึดในขันห้าในเห็นจากตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตันหาเลยนะแต่ในขณะที่ท่านพระมารุลุงกยศุขเนี่ยพระพุทธเจ้าไฮไลท์เน้นเรื่องของตันหาที่ไปติดยึดในขันห้าส่วนกรณีของท่นานพระสารีบุตรพูดถึงเรื่องของมรแป8เห็นความไม่เที่ยงในเรื่องของขันห้าเราจะเห็นว่าจากคนละมุมกันมองเห็นจากคนละมุมกันแต่ทําให้เกิดการบรรลุได้เหมือนกัน แในตอนนั้นท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยฟังข้อมูลมือสองเลยนะคือพระพุทธเจ้าเทศให้ปริพาชกที่ชื่ออคิเวสนะฟังท่านพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ในที่นั้นได้ฟังข้อมูลนี้ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ส่วนท่านพระมหาโมกขละนะในตอนนั้นท่านอยู่ที่เมืองราชชกรีนี่เหมือนกันนั่งโงกง่วงอยู่ที่บ้านกลวามุตตาคามพระพุทธเจ้าเสด็จไปด้วยฤทธ แสดงทําให้ฟังในการที่จะลักความง่วงท่านพระมหาโมคคลานะก็ถามถึงจุดที่ว่าเอ๊ะคนเราจะบรรลุหลุดพ้นสิ้นตัณหาไปถึงแดนเกษมนต่ก็ว่าบรรลุหลุดพ้นนี่คือพ้นจากขันหานะขันหานี่คืออริยสัจในข้อที่หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นทุกอริยรสัจสิ้นตัณหานี่เป็นอริยสัจในข้อที่สองคือสมุทยัยและสําเร็จร่วงส่วนเป็นธรรม ที่ถึงแดนกเกษมนี่คื อ, อนิโรธะจะทําตรงเนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงเรื่องของมรรคไงได้ตอบท่านพระมาหาโมคลานะในที่นั้นบอกว่าทําทั้งปวงเนี่ยเราไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นวิจาณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามควรเห็นว่ามไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่พิจารณาอย่างนี้แล้วจะคลายความยึดมั่นถือมัน่นไม่สะดุง้งย่อมบริณิผ่านได้ อันนี้ก็เป็นลักษณะการอธิบายที่คล้ายๆกันกับของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะก็ได้ฟังเรื่องของมรรคเหม ana, ือนกันแต่ท่านพระมหาโมกขลณะท่านพระสารีบุตรได้ฟังเรื่องของอริยสัจคือทางคือเรื่องของมรรคก็บรรลุทำได้ท่านพระมาลุงกยบุตรได้ฟังเรื่องของอริยสัจคือสมุทัยคือตัณหาก็บรรลุทำได้ ในส่วนท่านเดินๆท่านผูฟังอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกลทัญญะท่านก็ได้ฟังทั้ง4อย่างเลยก็คืออริยสัจในเรื่องของทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องของเหตุเกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทางที่ให้ถึงความดับทุกข์และไม่ว่าจะเป็นท่านาพระอัญญาโกลทัญญะอันนี้ท่านได้ฟังทั้ง4ส่วนนใน เรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็เฉพาะจอจงลงมาในเรื่องของความเป็นอนัตตาตามนัยะของอนัตตลักนัสูตรเนี่ยก็ได้บรรลุธรมขั้นสูงคือเห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้งหาแล้วก็เอาขันธ์ห้ามาจับด้วยเรื่องของมรรคแปดอีกเหมือนกันและจะไม่ได้เน้นลงไปในเรื่องของตันหาหรือแม้แต่ท่านพระยะัตสะในกรณีของท่านพระยัตสะกุลบุตรหรือว่าท่านพระมาหากราปีนาเนี่ยอันนี้ได้ฟังธรรมะที่เหมือนกันคือเรื่องของ นุบุพิคถาคือเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกรรมและอั น, นิสงส์ในการออกบวชนะพระว่าสองท่านนี้คือยัสสกุลบุตรแล้วก็พระมหากปินะเนี่ยเป็นคารวาสที่มีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมาก่อนนะพระมหากปินะนี่เป็นพระราชามาก่อนนะเรียกว่าพระเจ้ามหากปินะพอได้ยินคําว่าพุทธโธธรรมโมสงโครู้ว่าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ย เอาของไม่ต้องเก็บสละราชสมบัติแล้วไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเลยขอบวชเลยได้ฟังทำเรื่องอนุบุพิกถานี่ก็บรรลุธรรมท่านพระยะาศานี่ก็ได้ฟังเรื่องเดียวกันนี่แหละเห็นที่ท่านหลีกออกนั่นก็เพราะว่าเห็นเราพวกนางรำนางฟ้อนของตนนอนเกลื่อนกลาดยังกะซากศพจึงมีความเบื่อหน่ายขึ้นเห็นความวุ่นวายความขัดข้องในการครองเรือนจึงมีความคิดที่จะหลีกออก พระพุทธเจ้าเห็นท่านปริยาศากดิเดินมาบอกว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็จึงเรียกมาให้ฟังธรรมฟังธรรมที่มันจะไม่วุ่นวายฟังธรรมที่มันจะไม่ขัดข้องอธิบายถึงเรื่องของทานศีล ส, สวรรค์โทษของการรมแล้วก็อ น, นิสง์ในการหลีดออกจากกามท่านปรยายศากดิ์ได้ฟังตังนี้ก็บรรลุธรรมเหมือนกันในธรรมะสี่บทตั้งบฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้เยอะแยะมากมายทั้งที่เป็นพระสูตรเป็นคาถา เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นคําอุทานเป็นชาดกเป็นบทสนทนาโอ้เยอะแยะในธรรมะต่างๆเหล่าเนี้อยู่ในอริยสัจสีนี่แหละอริยสัจสี่จะแทรกอยู่ในธรรมะพระสูตรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดที่ขนะ้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยไม่เคยหลุดจากสี่อย่างนี้นนไม่เรื่องทุกข์ก็เรื่องตัญหาไม่เรื่องตัญหาก็เรื่องมรรคไม่เรื่องมรรกก็เรื่องของความดับของเจ้าตัญหาอันใดอันหนึ่งในสีอ่อันนี้ เราจับตรงไหนได้เข้าใจตรงไหนได้ตรงนั้นจะเป็นจุดที่บรรลุธรรมได้ทันทีแต่จะขยายความลึกลงไปหรือจะเอาเป็นเรื่องย่อๆก็ได้ทั้งนั้นอย่างกรณีของข้อมูลที่ได้บอกกับท่านพระมาลุงกฤยบุตรไปเนี่ยบอกว่าตัณหาจะเกิดก็เกิดในจีวร บ, บ้างบิดาบาศยานะหรือความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแค่4อย่างนะแต่ถ้าท่านแจกแจงแยกแยะไปเนี่ยท่านก็แยกแยะไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ว่าตัณหานี้เมื่อจะเกิดเราก็เกิดในสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีนะตัณหาจะเกิดมันเกิดตรงนั้นตัณหาจะละได้ก็ละได้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วอะไรมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกนั้นะไล่มาเลยทั้งหมดธรรมะสิบหมวดหมวดละหอย่างนั่นะคือมาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือหอย่างในธรรมะทั้งหมด10บหมวดนะมาตา นี่คืออายตนาภายในอายตนาภายนอกเวทนาคือความรู้สึกวิญญาณไล่ไปไล่ไปทั้งหมด10หมวดในตมะ6อย่างก็ตั้ง66อย่างแต่ถ้าจะแยกแยะจาก4อย่างที่ได้ตรัสบอกไว้กับท่านพระมาลุงกยบุตรอันนี้ก็แค่4ี่อย่างแต่ถ้าจะแจกแจงกันมาอีกก็ได้ถึง66อย่างอันนี้มาในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นตน้นธรรมานี้ท่านบุฟังพระพุทธเจ้า ท่านได้แยกแย่แจกแจงคือท่านทำหน้าที่ด้วยความเป็นพักวา่าแต่พักวานี่คือความเป็นผู้จำแนกแจกทำได้แยกแย่ แ, แจกแจงไว้แล้วว่ามันมีหลายอย่างหลายไยยะเราจะเห็นจากมุมไหนแง่ไหนจุดไหนก็ได้ทั้งนั้นในธรรมสี่บทนี้แตจะบทที่เป็นความทุกข์เห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมก็ได้อย่างที่ได้ตรัสบอกไว้กับท่านพระพาหิยะอย่างนี้เป็นต้น ที่บอกเรื่องของทุกเนี่ยคือขันทั้งห้าบ้างหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างอิจตนะหกธาตุสเหล้วเนี่ยให้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นทุกในเห็นทุกเห็นทุกในลักษณะที่มันเป็นตามธรรมชาติของมันไม่ได้จะไปเกลือกลัวพอใจยินดีหรือว่าขยะดแยงเกลียดชังให้เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือให้เห็นทุก ไหนทำความเข้าใจเรื่องของทุกเห็นในแง่มุมนี้ก็ได้เป็นแง่มุมที่หนึ่งเป็นบทที่หนึ่งเรื่องของความทุกจะบทที่เป็นสมุทยัยละเหตุเกิดทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมะได้อย่างกรณีของท่านพระมาลุงกะยะบุตรอันนี้ก็ได้หรือจะเห็นจากเรื่องของนิโรธคือการละตัณหาดับตัณหาละตัณหาแล้วก็จะบรรลุธรรมได้ทาให้แจ้งซึ่งการไม่มีตัณหาอันนี้ก็จะมาคู่กัน กับในข้อของสมุทยัยเราจะเห็นว่าข้อความที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยก็ยังมีชวนที่ว่าละตันหาได้นั่นก็คือนิโรดนั่นเองนั่นทำนิโรดให้แจ้งขึ้นมาหรืออย่างนี้ก็ได้หรือในบทที่4คือเรื่องของมักนั่นทำมักให้มักมากอะไรคือมักอะไรคือทางเอาเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละเห็นได้อะไรเห็นในการทั้งหน้านั่ไม่ว่าจะที่ตรัสบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะ หรือเราบรรจาวัคคีทั้ง5้าก็ตามแล้วก็เป็นบทธรรมะส่วนที่เป็นเรื่องของมรรคในการตั้งหาเพราะฉะนั้นในอริยสัจสนะี่ในตัมบวัตลายมาตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคเนี่ยเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจะเห็นจากตรงไหนอีกสอันก็มาด้วยแต่ถ้าเราเห็นอริยสัจ4ี่จากแง่มุมของทุกสมุทัยนิโรธและมรรคก็มาด้วยมาในลักษณะที่มันควรจะเป็นนะ คือว่าถ้าเราเห็นทุกอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยตัณหาไม่ได้จะมีมากขึ้นนะแต่มาในลักษณะที่มันควรจะเป็นคือมันจะลดลงมันจะละตัณหาได้มรรคก็จะเจริญขึ้นได้ทําให้มากขึ้นได้อย่างกรณีของท่านพระพายยะเป็นต้น่นเห็นตัวทุกอย่างนี้สักแต่ว่าเห็นรมรรคก็ตามมาเจริญมากขึ้นตัณหาก็ลดน้อยลงละไปนิโรธก็แจ้งมากขึ้นหรือกรณีของท่านประมาลุงกยบุตร เห็น <He> ตันหาโดยความที่ต the right? so ้องละมัน่ละมันหรือถอนมันพอค่อยๆละตันหาไปละตันหาไปตรงไหนตรงที่ตัวเองติดนั่นแหละติดตรงไหนละตรงนั้นแหมมันติดตรงนี้จริงๆเลยมันอยากได้ตรงนี้จริงๆเลยเราเคยเพลิดเพลินยึดถือตรงนี้จริงๆเลยพอเราเพลิดเพลินยึดถือตรงนี้แล้วเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เราต้องทนอยู่กับมันพอเราทนอยู่กับไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปยึดถือเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์ทุกข์นี่ก็จึงแปลว่าทนอยู่ได้ยาก พอตัวเองค่อยๆลาตันหาตรงนี้ไปในีสิ่งที่ตวเองยึดถือเนี่ยให้ความเข้าใจในเรื่องของทุกนํากระแจมแจ้งขึ้นมาตรงนี้มรรคก็เจริญขึ้นมาแต่เพราะว่าจิตที่จอลงไปเนี่ยก็เป็นสัมมาสติละฉันต้องละตรงนี้ให้ได้แความตั้งใจตรงนั้นก็เป็นสัมมาวายามะทิถิที่เห็นว่าจะต้องมาละนั่นก็เป็นสัมมาทิฐิเป็นสัมมาสังกปะเนี่ยการที่พยายามจะลาตันหามรรคก็เจริญขึ้นมาใ น, นพยายามที่จะละเหตุเกิดทุกข์ ความทุกข์นั้นก็มีความเข้าใจมากขึ้นมาร์กนั้นก็มีความเจริญขึ้นนิโรธคือความที่ตัณหามันลดไปลดไปมันก็ค่อยแจงมากขึ้นแจงมากขึ้นหรือในแง่มุมที่3จากเรื่องของนิโรธคือเจ้าความดับของตัณหาเนี่ยที่มันค่อยละไปเลาะออกไปเนี่ยความแจมแจ้งความใสสว่านนี่ก็จะมามากขึ้นแลนนี้ก็จะแปลผกผันกันถ้าอันหนึ่งลดอีกอันหนึ่งก็จะเพิ่มถ้าเผื่อว่าตัณหารอด ให้ความสว่างความแจ่มใสของจิตมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราทําความแจ่มใสของจิตให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ตัณหามันก็ลดลงไปลดลงไปตามลำดับความแจ่มใสของจิตที่เราสร้างทําให้มันมีมากขึ้นนั่นก็อาศัยมัคคืออริยสัจในข้อที่4ทําให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นให้ความแจ้งของข้อที่3ความแจ้งของนิโรธที่เราทําให้มันแจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจอริยสัจในข้อที่1นคือทุกข์ได้มากกินมากขึ้นหรือว่าในข้อที่4ที่เรื่องของมัค นามักนี่คือสิ่งที่ต้องทําให้เจริญทําให้เจริญมากขึ้นก็คือว่าถ้ามันยังไม่มีขอพัฒนาทําให้มันมีมันดีขึ้นการพัฒนาให้มันมีมันดีขึ้นเรามีความเข้าใจเรื่องของความทุกข์มากขึ้นมันก็จะทําให้เจ้าตัณหาที่มันจะทําให้เราไปยึดในความทุกข์เนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยลงพอตัณหาลดลงมันก็แปรผกผันกันกับนิโรธนิโรธก็แจ่มแจ้งมากขึ้นสว่างขึ้นอริยสัจนั้นท่านผู้ฟังจะมาจากมุมไหนก็ได้ในสีอัน ธรรมะสบทเนี้ย <DB> เมื่อฟังแล้วรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายความว่าปฏิบัติให้มันถูกหน้าที่น่นตันหาไม่ใช่ว่าทําให้มันเจริญทําให้มันมากๆไม่ใช่นัีนคือปฏิบัตไิไม่ถูกไม่ถูกธรรมที่มันควรแก่ธรรมะนั้นแต่ปฏิบัติให้ถูกธรรมะที่มันจะควรแก่ธรรมะนั้นคือตันหาต้องละนี่มันถึงจะสมควรแก่ธรรมะคือตันหานั้นต้องละ ถ้าเป็นมักต้องทําให้มากๆทําไม่ได้ต้องฝึกทําให้ได้ทําไม่มีไม่เป็นต้องฝืนทำแต่ทําไปให้ได้พัฒนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอันนี้คือต้องทําให้เจริญแต่ไม่มากๆมันหนึงจะสมควรกันนต่ไม่ใช่ว่าโอ้พอทําไม่ได้ก็เลิกเอานี้ไม่สมควรแก่มักแต่ไม่สมควรแก่ธรรมหรือว่าความทุกข์บางคนคิดว่าโอ้ฉันจะละทุกข์ละทุกข์อันนี้คือปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมละทุกข์มันไม่ได้เห่ละแต่มันให้ทําความเข้าใจทําความเข้าใจในทุกข์นั้น ถึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมธรรมะคือความทุกข์ต้องทำให้มันสมควรกับมันคือทำความเข้าใจเห็นทั้งความดีเห็นทั้งความเสียเห็นทั้งโทษเห็นทั้งประโยชน์เห็นทั้งวิธีในการที่จะนำออกจากความทุกข์นั้นอันนี้ถึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมเราจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นปรรพระหูสูตรผู้ทรงธรรมพรหูสูตรผู้ทรงธรรมท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้ธรรมะจำได้หมดทั้งปะไตยปิฎก เรื่องราวที่ข้าพเจ้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้จําได้หมดหรอกพูดไปเนี่ยก็เปิดหนังสือไปดูข้อมูลไปดูใบก็พูดไปเหมือนจําได้นะแต่ว่าก็ต้องดูแม่ดูแม่บทถึงจะจําได้พูดได้แต่เรามาที่แม่บททําความเข้าใจในบทธรรมสักอันดใดหนึ่งในเทแค่สานาทีเนี่ยเราจำไม่ได้หมดเป๊ะหม ด, หมดทุกบททุกข้อทุกประเด็นใน30นาทีขอสักประเด็นเดียวสักประเด็นในประเด็นหนึ่ง มันจะแบง่งลงมาก็ได้แค่สี่ประเด็นนี่แหละไม่เรื่องทุกข์ก็สมุดไทยนิโรธหรือมากแล้วให้มันถูกต้องเหมาะสมกับธรรมนั้นเราเอามาทำเอามาปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ดูบุฟังมีตัวอย่างท่านพระมาลุงกคยบตรที่ยกมาเป็นแม่บทในที่นี้เตียนเรื่องของตัณหาเรื่องของนิโรธทําให้ถูกหน้าที่มีตัวอย่างของท่านพระภาะหิยะเตียนเรื่องของทุกข์ทําให้ถูกหน้าที่ มีตัวอย่างของท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระโกนทัญญะที่เห็นในเรื่องของมรรคเราก็มีตัวอย่างของท่านพระยัจสระท่านพระมหากปินะที่เห็นแง่มุมในอริยสัจ ท, ทั้งสี่แล้วก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้นและท่านบุฟังยังมีคำถามหรือข็อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบสนียบัต มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ puredha.mm.com วันนี้เวลาหมดแล้วทุกูฟังข้าประชาพระมห า, ายบูรณ์อาพี่ปุณโงจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ จะเริ่มบาน